ตันหาให้ละแน่แต่ฉันทะก็ละอีกแบบหนึง่งในทางปฏิบัติมีข้อสรุปที่พึงยอมรับกันไว้ก่อนว่าประการที่หนึ่งเป็นธรรมดาของปุถุชนที่ย่อมมีตันหาครองใจเป็นพื้นอยู่และตันหานั้นจะเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าในขั้นตอนหรือเวลาใดที่เผลอปล่อยโอกาสแกมัน การที่2ตัณหาเกิดขึ้นมาเมื่อใดก็จะชักนําเอาปัญหาหรือความทุกข์เข้ามาให้ด้วยจึงควรละหรือกําจัดเสียประการที่3ในเมื่อตัณหาที่เป็นตัวก่อโทษนั้นพร้อมที่จะเกิดอยู่เสมอการที่ปุถุชนจะหลีกเลี่ยงมันโดยสิ้นเชิงย่อมจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นในกรณีที่สมควรหรือจําเป็น น่าจะมีวิธีปฏิบัติในทางที่จะทำให้ตันหาก่อประโยชน์หรือเอาตันหาไปใช้ประโยชน์ได้นี้เป็นฝ่ายอากุศลส่วนในฝ่ายกุศลหรือฝ่ายดีก็เป็นอันยอมรับในทางตรงข้ามว่าฉันทะเป็นประโยชน์เกื้อกูลช่วยให้ชีวิตเข้าถึงภาวะดีงามทุกอย่างที่มีคุณค่าแท้จริงจึงควรใช้และปลูกฝังให้เกิดมีมากขึ้นโดยลาดับเมื่อฉันทะเกิดขึ้น ก็ย่อมเป็นการปิดกั้นหรือป้องกันและกำจัดตันหาไปด้วยในตัวท่านแสดงหลักการทั่วไปไว้ว่าตันหาเป็นสิ่งที่พึงละส่วนฉันทะเป็นกรณียะคือสิ่งที่พึงกระทำอย่างไรก็ตามอาจจะพูดอีกแนวหนึ่งก็ได้ว่าทั้งตันหาและฉันทะเป็นสิ่งที่พึงละเสียทั้งสองอย่างแต่การละนั้นต่างกันดังที่ท่านขยายความไว้ จับสาระได้ว่าตัณหาเกิดที่ไหนควรละเสียที่นั่นคือละหรือกําจัดเสียณจุดที่มันเกิดขึ้นส่วนฉันทะท่านให้ละด้วยการทําให้สําเร็จตามฉันทะนั้นคือละด้วยการทําตามฉันทะนั้นจนสําเร็จผลทําให้ฉันทะนั้นหมดไปเองหรือไม่ต้องมีฉันทะนั้นอีกต่อไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าตัณหาเป็นความต้องการชนิดที่ควรดับ หรือละทิ้งไปเสียโดยทันทีและถ่ายเดียวไม่ต้องเก็บเอาไว้ใช้อะไรต่อไปส่วนฉันทะเป็นความต้องการชนิดที่ควรทำตามจนสำเร็จหมดความต้องการนั้นไปเองพูดสั้นว่าตัณหาละด้วยการสลัดทิ้งฉันทะละด้วยการทำให้สำเร็จการละฉันทะด้วยการทำให้สำเร็จซึ่งจะเรียกว่าการละฉันทะด้วยฉันทะคือเอาฉันทะ ละฉันทะหรือทำให้ฉันทะละตัวมันเองนี้มีเรื่องมาในบาลีขอนำมาลงไว้เพื่อให้พิจารณาเห็นชัดเจนด้วยตนเองเรื่องนี้เป็นคำสนทนาถามตอบปัญหาระหว่างพรามคนหนึ่งกับพระอานนร์พรามถามว่าท่านพระอาห น, น์ผู้เจริญ บุคคลอยู่ประพฤติปรมจันในพระสมณโคดมเพื่อประโยชน์อะไรพระอานน์ตอบว่าเพื่อละฉันทะพราหมณ์ถามว่ามีมักคามีปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นไหมพระอานต์ตอบว่ามีสิท่านพราหมณ์ถามว่ามักคาปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นเป็นไน พระอนุนตอบว่าภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิจิตตะสมาธิวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร น, นี้แหละพรามคือมัรคาคือปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นพรามก็กล่าวขึ้นว่าเมื่อเป็นอย่างนั้น ฉันทะที่มีอยู่ก็ยังคงมีอยู่นะสิมิใช่ไม่มีและข้อที่บุคคลจักละฉันทะด้วยฉันทะนั่นเองย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระอานนท์จึงตอบกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นเราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านเห็นควรอย่างไรก็พึงตอบอย่างนั้นนี่เนี่ยพราหมณ์ท่านเข้าใจว่าอย่างไรก่อนนี้ ท่านได้มีชันทะในเรื่องว่าเราจะไปวัดเมื่อท่านไปถึงวัดแล้วชันทะเพื่อการนั้นก็สงบระงับไปใช่ไหมพราหมณ์ตอบว่าใช่อย่างนั้นท่านพระอ น, นุ์จึงถามต่อไปอีกว่าก่อนนี้ท่านได้มีความเพียรได้มีจิตใจจดจอ่อคือมีจิตตะได้มีปัญญาไตรตรองคือมีวิมังสา ในเรื่องว่าเราจะไปวัดเมื่อท่านไปถึงวัดแล้วความเพียรจิตใจจดจอ่อปัญญาไตร่ตรองคือวิริยะจิตตะวิมังสาเพื่อการนั้นก็สงบระ ง, งับไปใช่ไหมพรามตอบว่าใช่อย่างนั้นท่านพระอนุนจึงสรุปว่าฉันนั้นเหมือนกันแลท่านพรามภิกษุใด เป็นพระอรหันตขีนาศฉันทะเพื่อการบรรลุอรหัตที่พิสูนั้นเคยมีในการก่อนเมื่อเธอบรรลุอรหัตแล้วฉันทะเพื่อการนั้นก็สงบระงับไปวิริยะเพื่อการบรรลุอรหัตจิตตะเพื่อการบรรลุอรหัตมิมังสาเพื่อการบรรลุอรหัตที่พิสูนนั้นเคยมีในการก่อนเมื่อเธอบรรลุอรหัตแล้ววิริยะ จิตตะวิมังสาเพื่อการนั้นก็สงบระงับไป